วันนี้คงไม่พูดไม่พูดอะไรมากนะพอลวงตาออกมาข้างนอกพวกเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยพราะพวกเราเห็นหลวงตาอยู่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่ อ, องคงจะไม่พูดอะไรมากมีแต่วัดชี้แจงให้ฟังว่าตั้งแต่เมื่อวานพพวกเราสันอาหารยังไม่เสร็จนะหลวงตาก็ไปวัดสุดทธวาสเมื่อวานเนี่ยพอท่านไปวัดสุดทธวาสเออ อันตรมาภาพเองก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าโอ้ทำไมอากาศหนาวขนาดนี้หลวงตากลับมาจะเป็นยังไงนาะจะเป็นวัดอีกติดวัดอีกแล้วนะเนี่ยเป็นห่วงคนะเป็นห่วงดวงตาแต่พอท่านกลับมาแล้วขึ้นไปกราบท่านโอ้รู้สึกว่าท่านสดชื่นนะสดชื่นแจ่มใสเมื่อวานเนี่ท่านมาประมาณบ่ายสามโมงจากนั้นเขาของท่านก็พักท่านบอกว่าเนี่ย คืนนี้เราจะพักข้างนอกนี่ละทำมา ง, างั้นนะเราจะพักข้างนอกนี่ละแต่จากทั้ท่านก็ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพระสงฆ์นะแต่เมื่อคืนหลวงพ่อเองก็ได้อรรมาภาพเองก็ได้ไปถามหมอและถามพระบอกว่าเบาปกติอุจจาระนั่นน่ะถ่ายน่ะตั้งแต่วันก่อนนั่นน่ะเป็นตีวันที่ท่านเหนื่อยน่ะท่านถ่ายสามครั้งถ่ายมากนะ จากนั้นก็ยังไม่เคยทายอีกเลยก็คิดว่ายังอาหารในท้องคงจะไม่มากแต่ว่าเรื่องปัสสาวะปกติหัวใจปกติปอดปกติความดันปกติแต่ที่ดูดูแลผิดปกติก็คือยังมีน้ำน้ำอยู่ในปอดข้างล่างยังไม่เป็นที่พอใจของขแพทย์เรางั้นแ่ะยังมีน้ำอยู่เพราะนั้นเวลาจะฉันน้ำอะไร ไม่อยากจะให้ทุงตาฉันน้ำมากเท่าไหร่ลักษณะนั้นน่ะแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเมื่อคืนนี่ถามพระก็ท่านหลงตาลุกสครั้งเมื่อคืนเนื้อรู้สึกว่าท่านพักได้นานเหมืม่อกี้พักได้นานตื่นตื่นสามครั้งเมื่อคืนเนี่ยแต่เมื่อเช้านี่ถามพระพระท่านบอกว่าฉันอาหารได้มากกว่าเมื่อวานนี้เหมืออกั้ ได้มากกว่าเมาื่อวานเนี่ยหลวงตาด้านั้นเรื่องสุขภาพหลวงตาโชคนี้เขารู้สึกว่าค่อนข้างปกปติอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยน ะ, ะพวกเราคงจะเห็นหน้าตาของหลวงตาสดชื่นแจ่มใสฮะเอะเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านมามอบวนเวียนรอบศาลาเนี่ยเพราะนั้นพวกเราต้องมาวัดทุกวันนะผู้อยู่ใกล้นะ ท่านก็ได้เห็นโอ้ลูกหลานยังคือเก่าอยู่นะนี่ท่านไว้ท า, ามาแล้วโอ้ลูกหลานหายไปไหนหมดไปยอดนี่ยเพราะนั้นพวกคณะสิทธิานุสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายนี่แหละลุงตา ย, ยังเป็นห่วงพวกเราอยู่นะยังบกบลเวียนมาดูพวกเราอยู่เพราะนั้นพวกเราต้องออมาวัดหลวงตานะ อ, อย่าได้ขาดเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพได้พูดเมื่อวานเนี่ย วัดหลวงตาเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านธรรมะหลวงตาท่านสอนสอนธรรมะตั้งแต่ปฐมถึงปริญญาเอกทำไมจึงสอนถึงปริญญาเอกเพราะหลวงตาสอนธรรมะจะทำใจยังไงจึงจะหลุดพ้นจากโรควัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอกีกหลวงตาสอนทั้งขนาดนั้นเพราะฉะนั้น วัดปาบ้านตาเรีอว่าองค์หลวงตาเนี่เป็นอัจฉริยะเรียกว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยเาเรียกว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่สอนคณะสิิ์ถึงวิชาที่เด่นที่สุดว่างั้นคือสอนเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจเพื่อทางพ้นทุกข์นี่แหละองค์หลวงตาไม่ใช่ธรรมดานะ ให้เราศึกษาดูในธรรมะขององค์หลวงตาทั้งซีดีทั้งหนังสือนอทุกอย่างน่ะองค์หลวงตาพวกคณะสัตยาญาติโยมก็คงอยากจะอยากจะทราบว่าเออหลวงตานี่มาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่น้อหลวงพ่อจะเท่าความเป็นประวัติเป็นประวัติให้ลูกหลานได้ฟังสักหน่อยอก็ดีเหมือนกันนะอเพราะพุทธศาสนาเนี่ย จะอยู่ได้ก็เพราะประวัติศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไงรภาษาวกเป็นมาอย่างไรสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลเป็นมาอย่างไรนะองคหลวงตาของเราก็ลักษณะยันละที่มาสร้างวัดป่ามั่นตาปี2498นะเมื่อหลวงปู่มั่นมรณะภาพ2492พอ2493ท่านไปจำรรษาที่น้องผือนาในา เออป914ไปจำพรรษาที่ห้วยทรายใน hey, จังหวัดมุกดาหารนะที่วัดหลวงปู่จามอยู่ทุกวันนี่แหละลวงตาไปอยู่ที่นั่น45หปีนะจากนั้นท่านก็คืนมาเอาโย ม, มัรดาของท่านไปบวชจากนั้นก็ท่านก็ได้มาไดเอายมรรดาประจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาใน 2,498-99 นั่นะ 2, 8, 99, นะนะแหละจากนั้นมาท่านลวงตาก็เทศอบรมพระ ก็มีภาพฝรัง่งเข้ามาท่านเชอร์รี่ท่านปัญญาเข้ามาพวกเราสังเกตดูไหมเอ็ีสของหลวงตาเนะ่เริ่มมีปี0 4น4 0 5ก่อนที่จะมีซีดีหลวงพ่อยังลำลึกอาตมาภาพยังลำลึกถึงท่านปัญญานะท่านปัญญาวุฒโธโอ้ โ, อโหเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเรามากๆนะการัทธาญาติโยคลูกหลานนะท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณสาหรับพวกเราอย่างมาก เพราเหตุไเพราะว่าท่านเป็นผู้คิดอัดเทปนะอัดเทพหลวงตาของเราไว้นี่ท่านอัดเทพหลวงตาและก็ใครเป็นคนออกทุนท่านเชอร์รี่นะอาจารย์เชอร์รี่เป็นผู้เป็นผู้ออกทุนท่านปัญญาเป็นผู้สั่งเทปกลุนเด็กนะมาจากเยอรมันทนะานสิบสองก้อนที่ใช้เทพกุนดิกแต่ตัวใหญ่มากแต่มว้วนแต่ละม้วนประมาณสักหกนิ้วนะนะ ม้วนกลมเหมือนกันแต่สมัยก่อนนั่นแหะท่านก็พยายามอัดเทศของลวงตาจากนั้นท่านก็มาอัดอัดอัดเก็บเก็บเก็บไว้แต่ต่อมาลวงตาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เช่นเลิอเลี้ยงหัวใจนี่ไม่เพียงพอท่านเหนื่อยในช่วงนั้นก็พร้อมกันก็สงคามเน่เครื่องบินมาลงที่สนามบินเนี่ยทางชนชาลาข้างบน พอประมาณกลางวันเนี่ยเด็กตะกรไปชุมบ่อยได้หลวงตาของเราไปชุมบ่อยได้สมัย 2,512 หลวงพ่อไปพูดกว่านั้นนะพอตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมาอยู่กับองค์ท่านเนี่ย 2,112 บางทีไปสามวันประชุมครั้งหนึ่งเจวันประชุมครั้งหนึ่งไม่เกิน7วัน น, นั่นแหลประชุมพระเพราะไม่มีอะไรเลยพระทั้งหมดก็มีทั้งหมด16องกองยำสารดุนแลน16บอกสรูปเท่านั้นแหะ แต่ลงตาไปชมสามสาสามวันครั้งหนึ่งเจ็วันครั้งหนึ่งเป็นอย่างมากเนะี่ยพอไปชมทีนี้ปัดเทปไม่ได้เพราะเห็นอะไรพราเครื่องบินมันขึ้นลงนะบางทีมันเครื่องบินมันดังโอ้โหเสียงดังสนั่นวนไว้พอเครื่องบินมาก็ต้องอัดเทปแต่เออทานเอไม่ต้องอัดละยดยดนะตั้งแต่สองพันห้าสิบสามสิบสี่สิบห้ามาให้พวกเราสังเกตดูว่าเอ็มพีสามแล้วว่าเทปของลงตาเนี่ย จะโผล่ขึ้นมาปี 2,518 น ะ, นะให้พวกเราสังเกตว่าเทปของโรงตาเนี่ยจะมี 2,518 หนาแน่นเข้ามาเรื่อยๆเพราะอะจาก18ลงมานั้นอ่ะเครื่องบินเครื่องบินสนามบินอุดอรบินขึ้นลงบินขึ้นลงเนยเออเวลาเราไปดงตาไปชมกะดังอ้บมาแต่นั้นถ้า ก, ก็ให้ปิดเครื่อง 2,518 มาในเทปของโรงตาเนี่ยเ อ, อมากนะ และก็ธรรมะชุดเตรียมพร้อมเนะ่ยคุณไวยคุณไวยคือสามีและก็คุณเผาพ ง, งามาอยู่ที่วัดของเรามาอยู่ที่วัดป่าบ้านดาดเนี่ยนหะลวงตาท่านไปเทศทุกวัดทุกวันทุกวันว น, นตอนเย็นนะไปอบรมเพราะคุณเผาเป็นเป็นเป็นโรคมะเร็งมะเร็งมะเร็งในกระดูกเพราะงั้นเถอะมาพักอยู่ที่วัดหลวงตาก็ไปลงไปเทศบางทีเกิดเอาท่านปัญญาลงไปไปนั่งบางทีก็ลงปู่ลี บางทีก็ล้มปูมุบุญมีนาคูเนี่ยโดยมากสามองค์เนี่ยบางทีท่านปัญญาก็ให้ท่านอาจารย์ลีเนีกดกดเทปให้กดอย่างนี้กดอย่างนี้นะเออพอไปถึงเลยฉันล้มปูลีไม่รู้กดตรวไหนกดตะพัดตะเพือเหมือนกันเถอะผลที่สุดมากับปั๊ไม่ได้บางวันท่านปัญญาก็ไม่รู้จะทําไงมีแต่พดหูมบมบูมบบูมเหมือนกันเถอะอย่างนั้นก่็เนี่ยนะในธรรมะชุดเตรียมพร้อมเนี่ยชุดนี้เป็นเป็นชุดที่ เป็นหัวใจของพวกเราที่เราได้ศึกษาธรรมะคือธรรมะชุดเตรียมพร้อมของหลวงตาเนี่ยจากนั้นมาก็คุณหญิงส่งส่งสีคุณหญิงส่งสีก็คือน้องพัญญาของอาจารย์หมออวยคุณหญิงเสริมเสริมสีคุณหญิงส่งสีเนี่ยเป็นเป็นพี่สาวคุณหญิงเสริมสีเี่เป็น น, น้องน้องสาวนะเป็นผู้ถอดเทปของหลวงตาเนี่ย อวกาศของจิตอวกาศของธรรมธรรมะชุดเตรียมพร้อมเนี่ยคนนี้เป็นคนถอดเทปเพราะั้นแต่สมัยนะั้นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะจากนั้นก็ให้หลวงตาไปคนตรวจเป็นคนตรวจนนรวจากนั้นออกมาพิมพ์แต่ประวัติของหลวงปู่มั่นเนี่ยประวัติหลวงปู่มั่นหนึ่งท่านพิมพ์ส่งสีสั ป, ปดาสมัยนะั้นสีสั ป, ปดาเป็นผู้เป็นผู้ผผพิมพ์ประวัติหลวงปู่มั่นแล้วก็ปฏิปทาต่อมากดพิมพ์ปฏิปทา แต่การพิมพ์บีดคราวนะั้นลงตาพิมพ์เองเนะี่ยพิมพ์แบบสัมผัสด้วยลงตาพิมพ์เองเก่งนะั่นลงตานะอัจฉริยะจริงๆนะท่านพิมพ์เองเขียนเขียนร่างเสียแนละ้วก็พิมพ์พิมพ์แล้วก็ส่งไปให้ศื่อสปดานะลงประวัติลงปูมั่นพอลงปูมั่นเสร็ก็ลงปฏิปทาพระตุลโงกรรมฐานสายลงปู่มั่นนะนี่แหละสมัยนะั้นหลวงพ่อก็เป็นพระอยู่ที่นี่นะ เวลาพิมพ์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะไปเย็บเย็บกระดาษบางทีก็สามแผ่นบางสองแผ่นบางนีน่แหละประวัติหลวงปู่มั่นจากนั้นก็ปิปฏิปทาพระตุรงกรรมฐานแต่ไม่ยังมียังแปลกใจอยู่เล่มหนึ่งที่ว่าเพื่อใจที่ได้ทุกข์แต่ไม่รู้เล่มนั้นมันหายไปไหนเพื่อใจที่ได้ทุกข์เล่มนั้นหนานะท่านพิมพ์รู้สึกว่ามากหนังสือเล่มนั้นนีน่แหะอันนี้คื อ, อ ผลงานของท่านปัญญาวุฒโธ ท, ที่ท่านได้อัดเทป เ, เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาเน่แหละเป็นนั้นว่าหลวงพ่อว่านะท่านปัญญาเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังธรรมะองค์หล ว, วงตาเนี่ยธรรมะกลางคืนทุกวันเนี่ยที่อบรมพระทั้งหลายทั้งปวงนะ่ เป็นฝีมือของท่านปัญญาทั้งหมดตัวนันพูดอย่างนั้นได้เลยว ง, งั้นแต่เพราะนั้นจึงถือว่าท่านปัญญาเนี่เป็นผู้มีอุปกรณคุณสําหรับพวกเราที่พวกเราเลยรับธรรมะของธรรมเทศนาขององค์หลวงตาทุกวันนี้เนี่ยนั่น่หละท่านปัญญาถ้าไม่มีท่านปัญญาหลวงพ่อมองไม่เห็นมองไม่เห็นใครเลยที่จะจะทําได้อย่างนั้น ง, งั้นแต่คิดมาเวลาใดหลวงพ่อยังชมท่านปัญญาอยู่วงั้นแต่โอ้ท่านปัญญาเนี่ เป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเรามากจริงๆนะแล้วกัท่านเชอร์รี่อย่างนั้นก็คุณหมอเพนสีมกรานนท่านก็ซื้อไอเทปยูเฮอยูเฮ อ, อ, อของเยอรมันนะราคาตั้งส3งส0 0หมื่นบาทนะมาให้ท่านปัญญาและกไมเนี่ยไมเบเยอร์อันเนนะ่ไม่เบเยอรนะ์ตัวหนึ่ตั้ง 7,800 บาทมาให้ท่านปัญญาคือท่านหลวงตาเทศอยู่อย่างนั้นนะ่จะเอาไมเข้าไปใกล้ไม่ได้ดแต่ก่อนนะต้องเอาไว้ห่าง เพราะนั้นเสียงเสียงเสียงลงตาจึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม้มันอยู่ห่างห่างจากลุงตาเสียงมะลงเสียงแมลงเสียงทุกงงตะแก่เอ้ยมันเข้าแทรกแทรกเทศของลุงตาทั้งหมดไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่จะต้องเข้าอยู่ใกล้ลุงตาเสียงลุงตาดีช่วงหลังๆที่ท่านไปเทศโครงการช่วยชาตินั่นแหะนี่แหละอันนี้เราก็ ต่อไปภายภาคหน้าและธรรมเทศนาของหลวงตานี่แหละคำสอนของหลวงตานี่ยจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้าน จ, จิตใจของคณะสิทธิานุสิทธิหลวงพ่อว่านะเพระพระพุทธเจ้าท่านว่า น, นะ ร, รมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้ น, นอันนี้ธรรมเทศนาของหลวงตายังมีอยู่ตราบใด น, นั่นน่ะจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทาง จ, จิตใจของพวกเรา แล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ เ, เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะพวกเราท่านทั้งหลายนะอพอหนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าตั้งอยู่ในความประมาทาสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็ควรจะทำสิ่งคุณงามความดีให้มากาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำเพราะหลวงตาท่านสอนพวกเราอย่างนั้น แล้วกัหลวงตาเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ของพวกเราที่เรารักเคารพอย่างสุดซึ้งหลวงตานเนี่ยรักเคารพพ่อแม่ของเราอย่างสุดซึ้งที่เรารักเคารพหลวงตาก็อย่างนั้ น, นอ่ะเพราะนั้นหลวงตาท่านเมตตาใคร เ, เราก็ควรจะทําใจรักเคารพยอมรับ อ, อย่างเท่าไหรหลวงปู่เลนาะเป็นพระ ดีเนอะรลูกรานเนอะรพวกเราก็ต้องยกมือไหวล้ลุงปุรีเนี่ยเพราะลุงตายอมรับใช่ไหมล่ะเอี่ลุงตาบอกว่าเออลุงปูรีเป็นพระดีนะครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เนาะเราก็ยอมรับอถ้าลุงตาบอกว่าท่านตรงตาลักแมวอลักหมาเราก็ต้องยอมรับว่าเออให้ความเมตตากับหมาเราก็ต้องยอมรับหมาของหลุงตาใช่ไหมเอี เพราะนั้นก็รักพ่อใช่ไหมเรารักหลวงตาเนะีถ้าหลวงตายอมรับอะไรเนะี่ยเราก็ต้องยอมรับต้องทําใจเนี่นี่แหละหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดให้กว้างคิดให้กว้างไกลในพี่น้องของพวกเราถึงยังไงก็ตามนะแต่หลวงตาเนะี่ยถึงท่านจะเมตตาหรือว่าท่านจะดว่างกาวใครเนะี่ยสมัยก่อนนะ่ยหลวงตาเวลาดุพระเนี่ยจะดุจริงๆนะ พอดูเสร็จแล้วนะโอ้โองนั้นเนี่ยเสียใจมากบางครั้งนะแต่พวกเราก็ไปหาเออไม่ต้องเสียใจนะเนี่ยในท่านเป็นเขียงลองดีแล้วละ่ะถ้าว่าท่านไม่ดูท่านนะผมองหนึ่งจะถูกดูอย่างที่ท่านเนี่ยท่านถูกดูท่านเออผมก็เคยทําอย่างนี้เหมือนท่านเหมือนกันนั่นแหละ เ, เพราะนั้นท่านถูกแล้วก็ผมจะได้เป็นบทเรียนผมจะไม่ทำํำอยอย่างที่ท่านอีกเออ ดีแล้วไม่ต้องเสียใจนะธรรมดานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องดุดาว่าเกาวเป็นธรรมดาแต่ข้อจงกัญเราก็ปรับปรุงแก้ไขสักที่ท่านตนําหนิเมื่อเราแก้ไขแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยพอเราเห็นเห็นโทษแล้วว่าการดุดาว่าเกาวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสินเป็นธรรมอะเราก็ยอมรับสักน่าจะจบนี่แหละอันนี้ก็ขอให้ ขวคณะสิทธิอณุสิทธิศรัทธาญาตโยมทั้งหลายทุกทุกท่านเนอเขามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเขามาศึกษาเนศศึกษาธรรมะนะไม่ได้มาศึกษาอย่างอื่นเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเอออีกไม่นานแล้วต่างคนก็ต่างไปแล้วหลวงพ่อก็พูดแล้วพูดอีกนะ อ, อ, อีกไม่นา น, นพวกเราเข้ามาเพื่อศึกษาแล้วก็นำธรรมคําสอนขององค์หลวงตานำไปประพฤติปฏิบัต สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพวกเรากดยึดตามแนวแถวนั้นาจากนั้นก็เอาไปประพฤติปฏิบัติมักผลนิพพานก็ต่างคนก็ต่างไปนะในเมื่อเมื่อตายไปกระยังที่หลวงพ่อพูดมันเป็นช่องใครช่องเราเนเหมือนกับเราจะไปขึ้นเครื่องอย่างนั้นอ่ะไปช่องนรกป๋ไปช่องสวรรค์ไปช่องสัตติรชานไปช่องเปรต่๋อแต่และแต่และช่องแล้วช่องไปเหมือนกับเราจะไปต่างประเทศอย่างนั้นน่ะ ไปขึ้นเครื่องต่างประเทศนะไปช่องของใครของเราอันนี้ก็เหมือนกันนะนะั่นแหละถ้าใครทำคนงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของตัวเองนะนะั่นแ่ะบุญกุศลจะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของคนนั้นวันนั้นนะวันสุดท้ายนะนะั่นแที่วันเราจะไปขึ้นเครื่องนะนะอั่นะหวันนั้ น, นะเป็นวันที่พวกเราจะขาดทุนหรือกำไรแต่ถ้าว่าทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่บุญกุศลนะ เ, เราอาจจะตกต่าก็ได้นะตกต่าก็คือ อาจจะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นจติราญชานไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเราไม่พึงปาถนะเรามาพบพระอริยะอย่างองลงตาแล้วเนี่ยเราควรจะสังสงคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละจะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานวันนี้คิดว่าจะพูดน้อ ย, อยก็พูดมากไปสักหน่อยละ ว, วันนอ้และก็ด้วยบุญกุศลที่พวกเรา ที่เป็นคณะศิษยาณุศิษย์ทุกหมู่ทุกเหล่ า, าทุกท่านที่เคารพในองค์หลวงตารักเคารพในองค์หลวงตาบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมมาในอดีตชาตาิที่เป็นคุณงามความดีทั้งถึงปัจจุบันในชาตินี้ด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลเหล่านั้นขอให้เป็นพลังหนนรักษาสุขภาพองค์หลวงตา ให้หายจากโรคาพยาธและก็เป็นร่มโพ ร, ร่มไซของพวกเรานานเท่า น, านานด้วยเทิน